บทนำเรื่องชีวประวัติของท่านเพิงเศร้าเสริงผู้จารึกชีวประวัติของท่านเหลียวฝานท่านผู้จารึกชีวประวัติของท่านเหลียวฝานมีนามว่าเพิงเศร้าเสิงท่านเป็นพุทธศาสนิกที่เคร่งครัดในศีลจริงจังฝึกกรรมฐานชอบอยู่ตามป่าเขาลำนาภัยและวัดวาอาราม ท่านแต่งตำราทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายท่านเกิดและสอบจิ้นซื่อได้ในรัชสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ระหว่างปีพุทธศักราช2275ถึง2338ท่านมีความเฉียบแหลมในสพวิทยาทั้งหลายเมื่อท่านอายุ20เ็จเศษท่านมีความมุ่งมั่นจะประกอบวีรกรรมให้ชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏในประวัติศาสตร์เหมือนบนรรพชนทั้งหลายต่อมา ท่านกลับเห็นว่าทางธรรมดีกว่าทางโลกหากปฏิบัติได้ตามที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วย่อมจกเป็นผู้ที่ไม่ต้องวกกลับท่านจึงถือศีลกินเจกลางคืนนอนวัดกลางวันเขียนหนังสือธรรมะวันที่ท่านจะจากโลกไปท่านสวดมนต์หันหน้าสู่ทิศตะวันตกสวดจนหมดลมไปด้วยอาการนั่งอย่างสงบท่านมีชีวิตอยู่ในโลกเพียงหเจปี แต่ก็เป็น57ปีที่ ท, ทรงคุณค่าผลงานของท่านเป็นคุณประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังอย่างมหาศาลผู้ด้อยปัญญาขอน้อมคารวะต่อท่านและกราบขออนุญาตที่นำประวัติของท่านมาย่อไว้ณที่นี้ชีวประวัติของท่านเหลียวฝานท่านเหลียวฝานเป็นชาวเจียงหนาน เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2092ท่านสอบจิ้นซื้อได้และเข้ารับราชการเมื่ออายุ37ปีคนสมัยท่านมีเวาลาร่ำเรียนมากกว่าเราสมัยนี้ท่านจึงมีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งนักเชี่ยวชาญในวิชาการเกือบทุกขแขนงนอกจากพุทธธรรมที่ท่านสนใจมากจนสามารถเข้าถึงพระพุศาสนาอย่างถ่องแท้แล้วท่านยังเป็นนักปราชในทางอักรรษรศาสตร์โบราณคดี คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์สยศาสตร์เกษตรศาสตรสส์อุทกศาสตร์ธรณีวิทยานิติสาสตศาสตร์รัฐศาสตร์ปรัชญาและอื่นๆอีกมากมายแม้ยุทธศา ส, าสตร์ท่านกระช่อช่องสามารถใช้ปัญญาเอาชนะโจรสรัดญี่ปุ่นที่โจมตีท่านในขณะปฏิบัติการทางทหารที่ชายแดนได้อย่างงดงามตำแหน่งหน้าที่ราชการของท่านนั้น ดำลงทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูซึ่งน้อยคนนักจะมีความสามารถเช่นนี้เมื่อท่านถึงแก่อนิจจกรรมแม้จะเป็นเวลาที่ไม่ได้รับราชการแล้วห้องเต้ก็ยังทรงระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอยู่จึงทรงสถาปนายศและทรงประกาศเกียรติคุณของท่านให้ปากฏไปทั่วแผ่นดินท่านไม่หวงแหนหรือกลัวจะหลุดจากตาแหน่งหน้าที่ราชการ ใครทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียเกียรติภูมิใครใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมใครทำให้ประช า, าช น, นเดือดร้อนท่านจะต่อสู้อย่างสุดกำลังแม้ผู้นั้นจะมีความใหญ่เพียงใดท่านก็ไม่ยอมสยบสําหรับตัวท่านเองแล้วใครจะใส่ร้ายป้ายสีท่านก็ไม่นำพาอิจฉากันนักท่านก็กราบถวายบังคมลาไปอยู่ถิ่นเดิมของท่านท่านแต่งตาราไว้มากมายเป็นเพชรน้ำหนึ่งในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อครั้งท่านเริ่มรับราชการไปนอำเภออยู่ทางเหนือซึ่งเป็นท้องที่ที่ประสบอุทกภัยเสมอท่านสามารถป้องกันน้ำท่วมได้โดวยวิธีการแยกพลังน้ำออกเป็นสามทิศทางแม่น้ำสายเดียวแต่โบราณมาก็กลายเป็นสามสายด้วยปัญญาของท่านและความสามัคคีของชาวบ้านที่คิดพึ่งตนเองอย่างไม่ย่อท้อผนึกพลังอนน้อยนิดของแต่ละคนรวมเป็นพลังงานมหาศาล ยิ่งใหญ่เหนือพลังน้ําที่น่ากลัวท่านให้ปลูกต้นหลิวตามริมฝั่งแม่น้ําและริมฝั่งทะเลยาวสุดสายตาคลาใดที่คลื่นซัดเข้าฝั่งสายจะติดอยู่บริเวณต้นหลิวทับถมกันนานเข้าก็กลายเป็นเขื่อนธรรมชาติป้องกันน้ําท่วมได้เป็นอย่างดีทางภาคเหนือของประเทศจีนแม้จะมีพายุพัดสายมาทีละมากๆก็ได้อาศัยต้นหลิวทั้งหลายนี้ ปะทะแรงลมและสายไว้ได้แม้ท่านจะกลับมาอยู่ถิ่นเดิมในบ้านปลายของชีวิตท่านก็ไม่นั่งดูได้คอยช่วยเหลือดูแลทุกสุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดคิดค้นวิธีทำไร่ไถนาให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นให้แผ่ถางพื้นดินที่รกชัดจนเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินของตนเองนอกจากท่านจะสอนให้ชาวบ้านมีความรู้กว้างขวาง มีรายได้เพิ่มพูนแล้วท่านยังสอนให้ชาวบ้านรักกันช่วยเหลือกันเสียสละและมันบริจาคจนเป็นนิสัยแต่ละวันท่านจะทำตารางการทำงานส่วนตัวและส่วนที่จะทำเพื่อผู้อื่นไว้ร่วงหน้าท่านไม่เคยอยู่นิ่งทำงานตลอดวันอย่างมีระเบียบท่านฝึกสมาธิเป็นเวลาสม่าเสมอจนบรรลุฌานแล ะ, จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุญาณ ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่ออายุ74ปีในขณะที่บุตรของท่านอายุ42ปีแล้วคือปีพุทธศักราช2166ผิดจากที่ท่านผู้เท่าคงพยากรไว้ถึง21ปีโดยไม่ต้องบนบวงต่อฟ้าดินและท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องสะเดาะเคราะห์ปล่อยปลาปล่อยนกอันคุณงามความดีนี้ช่างมีอนุภาพต่อชีวิตมนุษย์เห็นปานนี้หนอ ภรยาของท่านก็ใจบุญสุนธรรมไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยเป็นคู่ชีวิตที่คอยส่งเสริมแต่ในทางที่ดีงามเป็นปัจจัยในการทําดีเพื่อกันและกันตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งภรยาของท่านซื้อฝ้ายมาปั่นเพื่อทําเสื้อหนาวท่านเหลียวฝานท้วงว่าบ้านเรามีเสื้อหนาวอย่างดีทําด้วยแพลเนื้อดีสอดไส้ด้วยนุ่นดีอยู่แล้ว ฉไ น, นจะให้ลูกใส่เสื้อหนาวที่ทำด้วยผ้าฝ้ายถูกๆเล่าภรยาของท่านตอบว่าก็พราฝ้ายนั้นถูกจึงตัดใจขายเสื้อหนาวดีๆของลูกเสียได้เงินมามากๆเพื่อทำเสื้อหนาวแจกชาวบ้านที่กําลังหนาวสั่นอยู่นี้ได้ทั่วถึงท่านเหลียวฝานดีใจมากพูดด้วยความตื้นดันใจว่าถ้าแม่ใจบุญถึงปานนี้ ลูกของเราจะไม่มีวันลำบากเป็นแน่แท้บุตรของท่านก็สอบจิ้นซื่อได้เช่นท่านและได้เป็นนายอำเภอที่เมืองกวางตรงอีก21ปีต่อมาเมื่อสิ้นแผ่นดินหมิงในพุทธศักราช 2,187 ประเทศจีนตกอยู่ในเงื้อมมือของชาวแมนจูที่สถาปนาราชวงศ์ชิง ปกครองชาวจีนตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายอยู่นานถึง267ปีท่านซุนจงซางหรือด็อเตอร์ซุนยัเซนกับคณะจึงได้ลบความเป็นเจ้าเข้าครองออกจากประวัติศาสตร์ได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2454นับเป็นบุญของเราชาวไทย ที่ไม่ต้องถูกเขี่ยวเขยนเย็นคร่ำกรมไปถึง267ปีเช่นชาวจีนพระคุณของวีรกษัตริย์และวีรชนของเรานั้นใหญ่หลวงนักแม้ประวัติศาสตร์จะได้จาึกความยิ่งใหญ่ไว้แล้วแต่เราก็จะต้องสำนึกในพระคุณจดจำไว้ในส่วนลึกของดวงใจเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีงามที่จะปกป้องแผ่นดินไทยต่อไปด้วยชีวิตของเราทุกคน